ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านพุทธศาสนิกชนกทั้งหลายการบรญยายประสูทธ์ในวันนี้จะได้พูดเรื่องศีลสูตรหรือสูตรที่ว่าโดยการสัรวมระวังรักษาในชั้นของศีลเป็นพระธรรมเทศนาที่ส่งประรกขึ้นมาเอง เป็นคำสอนที่เราเรียกว่าอนุสาสนีคือเน้นย้ำไปรียๆพูดจะบ่อยๆกับเตือนให้สติอยู่บ่อยๆในขณะเดียวกันก็วางเป็นแนวของการประพฤติปฏิบัติที่เป็นปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมกันในชั้นแรกก็ส่งสอนว่า ให้สมบูรณ์ด้วยสีคือทําสีให้สมบูรณ์คือตามปกติแล้วการสํารวมระหว่ังในสนีคือเราพูดถึงการสํารวมระหวังแต่ว่าใจสมบูรณ์เนี่ยมันมันอีกขั้นตอนนึงคือโดยปกติแล้วสามัญชนเราจะเป็นพระหรือกะว่าก็ตามถ้าสามัญชน ไม่มีใครสมบูรณ์พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะัคว่าสมบูรณ์จึงเป็นเรื่องจะต้องใช้ความพยายามมันเป็นเป้าหมายแนวของศีลมันก็มีอยู่สองระดับนะระดับหนึ่งก็คือเป็นเป็นบทปัญญัติที่ว่าไว้ตรงตรงมีการ ห้ามไม่ให้ทำแต่ไม่ถึงกับห้ามก็คล้ายๆกับปานาติปต า, าเวรมณีท่านเห็นว่าไม่ถึงกับห้ามเป็นเจตจำนงเป็นความตั้งใจของเราเองที่จะงดเว้นไม่ทำลายชีวิตสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำลายชีวิตสัตว์เพราะในจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสมรวมระหวัง ก็เป็นระดับแรกๆไม่ใช่ระดับที่สมบูรณ์อะไรจงว่อนสำรวมระวังไม่ถึงกับไปฆ่าสัตว์แต่ว่าสัตว์หรือคนก็คือสิ่งมีชีวิตการทำลายสวัสดิภาพไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องทำลายชีวิตเสมอไปวันแนวการสำรวมระวังมล้ก็เดินขึ้นไปเรืเร่อยๆทำให้บาดเจ็บ เรไม่เดือดร้อนเราไม่ประสบความทุกข์ทรมานที่ใช้คําว่าทรมานสัตว์หรือโทรกรรมสัตว์มันไม่ได้ถึงกับฆ่านะก็เป็นเจตนาที่เป็นบาปประกอบด้วยความโลภ บ, บางความโกรธบ้างความเบียดเบียนบ้างความริษยาอาฆาตบ้างก็ไม่เล่นในแนวทรมานสัตว์ในแนวของการประจุสัตว์ ในในายองการ เ, เปลี่ยนสัตว์มันก็เลยเถิดไปจนไม่ใช่เลยเถิดก็เลยไปจนถึงว่าไม่ทำลายปกติสุขของเขาอย่างที่ท่านเล่าถึงสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์โตพระทักขังตังตนตากิวอนไว้ที่สายระเดียงยระเดียงก็คือราวผ้านะฮะแต่ว่าพระเขาเรียกว่าสายระเดียง จีวรมาร่วงหล่นลงมาหมาก็ขึ้นไปนอนท่านจะห่มจีวนไปวินทบัาททา่านกานั่งคอยหมาหมันลุกขึ้นอยองลุกขึ้นท่านก็นไม่กล้าปลุกมัเกรงใจคนก็บอกว่าสมเด็จทำไมไม่ปลุกรบกวนเคขาก็กำลังจะนอนก็ขนาดว่าหมานอนขวางอย่างนี้ท่านไม่เดินขับ เอ็นนี่คืออัตยาศัยของคนที่มีความสารวมระวังแต่ถ้าเรามองจากความรู้สึกนึกคิดของชาวบ้านน่ะนะอาจจะใกล้ๆเกินไปนะแต่ถ้าเรามองกลับมาว่าถ้าเรานอนหลับอยู่ น, นอนหลับอยู่บนเสือเพื่อนไปกระตุกเสือโครมเห้เราหล่นออกจากเสือมันเราเกินไปน ะ, นะแต่หมามันบอกไม่ได้ อันในแนวลักษณะละเนี่ยอย่งเจ้าคุณส้มเดชต่างราชเจ้าหอมราชวงศ์ชื่นที่มีประรูปอยู่ข้างล่างมีลักษณะอย่างนั้นท่านต้องการอะไรเด็กหลับเนท่านไ่าเรียท่านต้องรอเขาก่อนไม่ใช่บางทีก็ประเคนของลระเราก็มีปัญหาของอยู่ใกล้มือก็จัดไม่ได้ไม่ประเคน เราก็ต้องทนเอาอวฮะต้องรอห้ามไม่ให้ปลุกเป็นอานขาดกาใครหลับคือเราถ้าเราดูแบบธรรมดาธรรมดาก็ ค, ลคลกล้ๆก็ว่าเมินเฉยละเลยไม่ใส่ใจที่จริงแล้วมันเป็นการทำลายปกติสุขของเขานั้นคือการสำรวจระวังมันเ็าเรียกว่าทำลายสวัสดิภาพแม้จะนิดๆหน่อยๆ อย่างที่เคยบอกให้ฟังว่าเเช่นทํำให้เขาหวาดกลัวเนี่ยมันก็ถือว่าปฏิสัทธิ์ร่างกายก่แล้ววินัยของพระจึงบัญญธธรรัติถ้ำเล่นจี้กันก็ไม่ได้นะพิกสูจี้พิกษุกษกษนีนปราปปบตติมองด้วยความมาคาดมาร้ายทำให้เขาสะดุ้งก็ตกใจขวาดวันถือว่าเป็นการผิดศีลแต่เป็นเป็นศีลท่านนะไม่ใช่ศีลโยม น, นี้ก็คือแนวสำรวจระวัง สัมรูลระวังว่าเราเองเราก็ต้องสํารวมระวังไปอย่างนั้นเพราะจริงๆเราก็ปานาธิบาตด้วยกันเพียงแต่ว่าตอนต้นๆท่านไม่พูดเท่านั้นเองเอาได้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังในการว่าทีหลังถ้าพูดกับชาวบ้านเนี่ยไม่พูดตรงๆในแนวนั้ น, นะจะอธิบายธรรมะอ้อมมาเราจะเห็นว่าพระเจ้าจะเน้นที่กุศลกําบดสมัครชาวบ้านและจะเน้นที่ แม่โลภจนถึงอยากได้คนอื่นไม่ให้โกรธจนถึงกลับไปประทุสราไม่ให้มีความเห็นผิดจนออกไปนอกโลกนอกทางเพราะถ้าเห็นผิดออกโน่นอทางแล้วก็จบกันความว่ากูไม่กลับแล้วนะอันนั้นก็คือก็คือวิธีในการสอนให้ทำให้ศีลสมบูรณ์แต่ว่าอุบายวิธีนั้นจะใช้แย ต่างๆบางทีพูดง่ายแต่ทํามากแอบไม่ใช่พูดน้อยจะทํามากแ่ะเห็นว่าอยากคิดไปข้างนอกไม่พูดเรื่องสีเนีน่ยนะฮะเพราะว่าสีมัต้องนับข้อก็อยากคิดออกข้างนอกรักษาความคิดได้ดูที่จิตตัวเองดูที่งานของตัวเองดูที่อิเดียบทของเราเองดูที่ภารกิจที่เราจะต้องจัดต้องทำคือไม่ต้องไปจุดจัดงข้างนอก ใจไม่สายออกไปข้างนอกเพราะไม่ข้างนอกมันที่จริงมันไม่ผิดศีนี่นนะมันไม่ผิดศีลไปแล้วแต่ทีนี้พอสายข้างนอกมันไม่จะสายออกไปธรรมดามันก็สายออกไปในแนวที่มีสติสัมปชัญญะในการดูในการฟังในการริมเพื่อไม่ให้เป็นการละเมิดศีทธเพราะฉนั้นทั้งหมดเนี่ยมันมันจะมีเป้าอย่างเดียวกัน ผู้เรื่องศีลว่าเยอะแยะตรงน้นตรงนี้ตรงนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วให้มันเกิดการเป็นสํารวมระวังจนถึงทําให้ศีลสมบูรณ์การสมบูรณ์ของศีลเนี่ยหมายความว่ามีศีลคือไม่ใช่ศีลเฉยตรงท้านมันศีลละวาแปลว่ามีศีลหมายความว่าศีลอยู่กับเราเราอยู่กับศีลศีลเป็นเราเราก็เป็นศีล แล้วก็ไม่ต้องสํารวมระวังคือมันเป็นการเคลื่อนไหวเป็นศีลไปโดยอันตโนมัติอะไรก็ตามที่เราทําจนชำนิชนานาญจนคล่องแคล่วดีเนี่ยเราก็ทําไปนึก ไ, ไม่น่าจะทําได้แล้วก็ทําได้สำหรับคนที่เขาชำนิชานาญสานวนแะ่ยิงใช้ก็มารักษาศีลจนศีลรักษาคือเรารักษาศีลจนศีลรักษาเรา เมื่อก็เราเรียนความรู้ฝึกปรือทักษะในด้านต่างๆจนสิ่งเหล่านั้นรักษาเราคุ้มครองเราประการต่อไปให้สมบูรณ์ด้วยมรรยา่ามัรย่าก็คือความประพฤติกร น, นี้ท่านถ่ายหลอกสังเกตว่ามรรยา่าคือความประพฤติถ้าเป็นความประพฤติของคนอื่นเช่นสมมติตัวการาการใช้เดียบทจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนอะไรต่าง ใเราตระกูลดูว่าอิเดียบทบางอย่างกระตุ้นรัครับ oh ิียบทบางอย่างกระตุ้นโทสะอิเดียบทบางอย่างกระตุ้นโมหะอิียบทบางอย่างกระตุ้นกระตุ้นความมั่นไส้อิียบทบางอย่างกระตุ้นความรังเกียจอิเยบทบางอย่างกระตุ้นความสมเพศ บางอย่างกระตุ้นความสงสารบางอย่างกระตุ้นความหวาดกลัวเห็นไหมอิเดียบทคนเนี่ยมันขยับไปแต่ละอิยาียบทเนี่ยมันมันจะกระทบต่อความรู้สึกเราความรู้สึกเราต้องเปลีป่ยนแปลงไปตามอยาดียบทคนที่เราเห็นเพราะพอถึงเรานั่งเราใช้อิเดียบทมันก็เหมือนกันหมายความมาสมบูรณ์ด้วยมัญญ่าที่เมื่อคนอื่นเขาเห็นแล้วเกิดประทับใจเกิดศรัทธาเริ่มใจเกิดพอใจจะนึกถึงเมื่อคือนเมือ่อคืนวันศุ่ย ขึ้นวานเนี่ยนะฮะมีผู้ใหญ่ที่เคยรู้จักกับท่านทำไมมาบวชใหม่ๆโผลมา ส, สี่ทุ่มนอายุท่นานสกเจ็ดสิบกว่าท่านก็มาพูดประรุการรัตนาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นมหาเ ก, ก่าวอะนะครับเตือนบอกว่าเดชคุณต้องอยู่นะก็เป็นอีกยุคหนึ่งเนี่ยนทะ่านเดชคุณ อกโอ๊ยมันก็ต่นี่มันใกล้หกสิบเลยนะอาจารย์กองอยู่ไม่ได้นานเท่าไหร่แล้วแต่ว่าแต่บอกก็ต้องอยู่บอกว่ามันมาก็เราคงทํางานท่าที่ทําได้เนี่ย่าบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดินให้เขาดูก็แล้วกันถ้งไม่มีอะไรก็เดินให้เขาดูก็แล้วกันมาความอะไรมาความมาใช้อริยาบทแม้แต่เราใชาอ้อริยาบทเนี่ยบัณฑิตเขาพูดนะฮะบัณฑิตก็พูดในแง่างการใชอ้อริย พอเดินเนีเขาดูแล้วเกิดความเรื่อมใสกันแล้วเดนอย่างที่เราได้ยินว่าอุปการชีวกเห็นพระพุทธเจ้าเดินเกิดเรื่อมใสเดินเน่ย น, นะเดินเฉยๆประสานบุตรเห็นปราศริชิเดินก็เกิดเรื่อมใสแต่ด้มาการใช้เรียบทเนี่ยถ้ามันเป็นศีลแล้วเนี่ยนอกจากเป็นคุณแกเราที่จริงมันเป็นคุณแกคนอื่นเพราะศีลเปลว่าปกติเรกกิรยบทไม่กําเริบทันเรีรยบเริยบท ไม่ขนองกายไม่ขนองวาจาพระพราชจะสอนเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่จะจะโยมไม่จะไม่สอนถึงถึงขนาดนั้นแต่จะพูดแล้วมันก็ออกมาแนวเดียวกันหมายความว่ากายกายของราไม่ขนองใช้ริยาบทแล้วคนประทับใจคนเลื่อมใสก็เกิดความเคารพเกิดความนับถือเกิดความศรัทธา มันเป็นบุญแก่เราเป็นคุณแก่เราและเป็นบุญแก่คนอื่นเป็นคุณแก่คนอื่นคือเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดบุญเกิดคุณแก่คนอื่นดึงเขาให้เกิดความศรัทธาเรื่องใสเ่จะเป็นแนวของการเผยแผ่พระาศาสนาอย่างหนึ่งอย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตคือประรักันในหมู่หมู่การการศาสนาในโลกประรักันอยู่ที่เรื่ วานก็ไปไปชูมือที่ลบบุรีเราไปรกไปรเรีออย่างเงี้ยว่าปัญหาสำคัญเล่ที่เราไม่ค่อยช่วยกันอย่างญาติโยมที่มาเข้าวัดความธรรมดำศีลกระบ้านก็ไปโดดเดี่ยวตัวเองไม่สุงสิงกับใครใครตั้งเฉยหลบเงียบอยู่ในห้องในเวลาเจอลูกเจอหลานก็ยังขี้บ่นยังขี้ดุยังขี้ดา่าเหมือน แต่เป็นยา ง, งานก็เป็นอย่างนั้นอันนี้คือคือคือสิ่งที่ไม่ช่วยกันแล้วก็เป็นบุญแก่เรานะฮะแต่ไม่เป็นคุณแกคนอื่นจะทำยังไง ย, ยิงจะเป็นคุณแกคนอื่นก็คงไม่ต้องไปเทศ น, นะนะไม่ต้องไปนั่งเทศไม่ต้องเรียกลูกหลานมาฟังแล้วมาเทศอะไรัอาจจะใช้การคุยอาจจะใช้สัมผัส ใช้การเปลี่ยนแปลงทางกายทางวา จ, จาของเราทังกิยามญาติของเราที่เดีกด่าึ่งจงหนสนใจอศัศจรรย์ใจแล้วมันจะสืบสาวถึงที่มาการสืบสารที่มาที่จริงมันเป็นวิธีธรรมชาติของคนเรานะ ด้ง เ, เราเดินเดินนั่งนั่งแล้วก็เป็นลมชัยแางง ๆ, ๆ, ๆมันก็ต้องสืบสาถึงที่มาว่าทำไมจึงเป็นลมตัวคนนี้เออมื่อก่อนเขาไม่เป็นอย่างนี้ทำไมเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เมื่อก่อนดุจังเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดุเท่าไหร่แม้ถามไม่โกรธก็ไม่ค่อยโกรธเคยขีดบ่บนปากเปลี่ยปากแจกก็บ่นน้อยลงเลยแต่ลูกหลานก็ทึ่งก็สนใจ มันเป็นวิธีที่สร้างศรัทธาสร้างความเลื่อสใยให้เกิดขึ้นแก่คนอื่นคืออิรยาบถนะฮะที่จริงก็อิรยาบถการพูดการนั่งการยืนการเดินการกระทําอะไรต่างๆก็เราอนมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เห็นแล้วเกิดขึ้นเกิดสนใจเกิดชงนุเ่เกิดอยากรู้ว่าทําไมท่านเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างนั้น ก็ทําให้ดึงญาติวงศ์สงสาเข้ามาสู่วัดมาเข้าสู่ศาสนาท่านเห็นว่าเขาเรียกสมนวนพระพุทธเจา้าทรงใช้กรรมสกุลสมัมมาทิฐิหมายความว่าสัมมาทิฐิมันตั้งแต่นู้นแหละตั้งแต่ปู่ตั้งแต่พ่อมาเรื่อยมามเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะเป็นแบบอ ก, กันเลยกันจะเป็นแบบให้กกันเลยกันโดยใช้เพียงมันญาตนะใช้เพียงมันญาตานั้นะทีนี้ มันญาติเนี่ยมันเป็นการสะท้อนความมีศีลหรือความไม่มีศีลก็แล้วแต่มันญาตินะแต่ตรงนี้ต้องใช้ว่าสมบูรณ์ด้วยมันญาติกับความสะท้อนความมีศีลต่อไปก็โคจรคือสถานที่ที่เราจะไปเกี่ยวข้องสมบูรณ์ด้วยมันญาติและโคจรคือสถานที่ที่เราจะไปจะไปจะเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็กลับมาที่เดิมนะฮะท่านจะเห็นว่าเหมือนอิยาบทแต่มัน มันเป็นเรื่องของสถานที่เป็นเรื่องของคนกับสถานที่สถานที่บางแห่งเราไปแล้วมันเพิ่มราคามันเพิ่มโทสะมันเพิ่มโลภะมันเพิ่มโมหะมันเพิ่มอะไรแต่ไม่อะไรเวลนี้ก็มังนั่งแล้วก็เอาไปบรรยายพระเขาฟังวันก่อนคือมานั่งสังเกตนั่งรถไปอบรมพระที่วัดยามันนั่งดูไอ้ดินแน เออเวลานี้นี่เขาเอานรกมาไว้ในบิมานเมื่อความอาคารใหญ่ๆนี่ท่านเห็นว่านรกมาอยู่นรกก็คืออบายนะสุราก็มาอยู่ที่นั้นนะผู้หญิงก็มาอยู่ที่นั้นการพนันก็มาอยู่ที่นั้นนักรองก็มาอยู่ที่นั้นมันอยู่นรกฮะนักเลงหญิงนักเลงสุราเล่นการพนันคนทั่วเป็นมิตรเก็บค่านำการงานเที่ยวกลางคืนถึงกานเล่นเอามันอยู่หมดเลยในที่เดียวกันอ่ะรอยยันพระซ้ามันก็เหมือนกันนะฮะ ที่จริงมันมีหมดทุกเรื่องในโรเจอร์ปราททั้งมีทั้งนวดทั้งดีโก้แท็กทั้งอะไรๆอยู่หมดในที่นั่นเลยจากใจเราศึกษาตรงตัวนี้เราก็ตามมานั่งมองไปเรีนรูอื่นนี่ก็เอานารกษ์มาว่าในวิมานสร้างอาคารไปหรูเลยติดแอร์คอร์ดิชันอย่างดีข้าไมนมีแต่นรกคนเข้าไปในกิเลสเกิดขึ้นเยอะเลยกิเลสเกิดอยากกินอยากดูอยากฟังอยากริมอยากไปเรื่อย ก็ตกนรกในวิมานบนสถานที่เหล่านั้นถ้าเราไปเนี่ยเราก็เสียสถานนะโยงไปยังพอดีนะถ้าพระไฟราพังไม่รู้เรื่องเลยโผล่ไปพรวดเดียวพังไม่รู้เรื่องเลยเพราะอะไรเพราะนั่นคือสถานที่ ท, ที่ไปไม่ได้คำว่าไปไม่ได้คือใครไปไม่ได้ที่จริงทุกคนเนี่ยไปไม่ได้เพราจะไปแล้วเป็นอันตรายเป็นการกระตุ้น เพิ่มบาปเพิ่มอกุศลเพิ่มความสูญเสียเพิ่มปัญหาสารพัดแดีวคนกลุ่มหนึ่งเขาก็เป็นธุรกิจเท่านันะเขาคงต้องไปคนกลุ่มหนึ่งนั้นคู้ภูมใจตัวเองไม่ได้ตามใจตัวเองแล้วก็พยายามที่จะตอบสนองความต้องการตัวเองเก็ไปโดยทรงแสดงไว้พวกพวกอัคโครจรเลยนะหมายความมาสถานที่เหล่านั้นไปแล้วเกิดเสียสง่าราศรีบางทีมันเสียสง่าราศี มันไม่ถึงก็มีปัญหาอะไระเราไม่ไปทำอะไรแต่เราก็เสียสง่าราศีไปในสะถนะนะานที่นั้นอย่างคนระดับอุปาชกอุปาติการ์ไปในสถานที่เล่นการพ น, นันไปโรงเหล้านะไปทํามบาทําผับตาอะไรต่ไรเนะี่ยมันเสียสง่าราศีแม้จะไปเฉยๆนะไม่ไม่ถึงเข้าไปร่ว ม, ม, มกิจกรรมเขาแต่ร่วมกิจกรรมก็แล้วแต่กรณีของกิจกรรมเหล่านั้นแต่ว่าแม้แต่ไปเฉยๆนี่เขาเรียกว่าเสื่มสง่าราศี ถูกมองด้วยความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจเพราะอะไรเพราะมันเป็นการสร้างความขัดแย้งราสถานที่นี้มันไม่ใช่ที่ไปของคนนี้แต่ทําไมคนนี้จึงไปในปสถานที่นี้สถานะของคนนี้ก็เกิดถูกถูกสงสัยถูกมีความเครือบแคลงสงสัยเมื่อวานเนี่ยมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเล่าฝัง ว, ว่ามีคนก็มาจะโกงโกงก็บอกว่ามีพระจะโกงโกงไปเชาวบ้านอยู่ กลางคืนก็แต่งชุดชาวบ้านไปเล่นการพ น, นันข้าวปลาข้าวผับข้าวครับ บ, บ, บอกบอก้ อ, กอกจักแน่ๆมันไม่ใช่พระอยู่แล้วนะครับไม่ใช่พระอยู่แล้วแต่ว่ามันเสียสงา่าไอเสียสงา่าราศีก็เกิดเคลือแคลงสงสัยในความเป็นพระท่านท่านที่เขาไม่ได้เป็นพระเพราะพระไม่ได้อยู่ที่การหมจีบอ่นะมันอยู่ที่ขั้นตอนของพระบิ น, นัย แล้วรงสุราท่านถือว่าเป็นอกุยจอดบอนการพ น, นันเนี่ยเป็นอาคุกกยจรดไม่ควรไปสถานที่การละเล่นต่างๆบางเรื่องนะแต่ที่จริงถ้าพระแล้วก็ไม่ควรไปทั้งหมดทีนี้ชาวบ้านเนี่ยก็ต้องดูสถานะตัวเองว่าควรจะไปหรือไม่ควรจะไปแล้วสถานที่ที่พูดง่ายๆก็กลับมาที่เดิมนะสถานที่กับคนมันก็อีเดียบทกับคนมันก็เหมือนกันคือหมายความว่า ถ้าไปแล้วกระตุ้นราคะกระตุ้นโลภะกระตุ้นโทสะกระตุ้นโมหะกระตุ้นความหวาดกลัวกระตุ้นความสะดุ้มก็จะไปอันนี้ก็คือการปิดกระแสปิดกระแสที่จะนําไปสู่การล่วงละเมิดหมายความว่าเราอยู่ด้วยตัวเราเนี่ยเราคงไม่ถึงกับละเมิดอนะ่ะแต่มันมีตัวกระตุน้นมีตัวกระตุน้นเราเลยเสียการทรงตัวเลยพังไปไม่รู้เรื่อง อันนี้ก็คือการหลบหลบไม่ให้เจอตัวกระตุ้นเหล่านั้นโดยจะนำปัญหาือทาปัญหาให้มากยิ่งขึ้นสมบูรณ์ด้วยอาจาระนะมันญาติอาจาระก็คือความประพฤตินะฮะมันญาติก็คือมันญาติก็คือความประพฤตินะฮะแล้วก็สถานที่ที่เราจะเที่ยวไปทีนี้มันก็ละมเมิดละไมข้าถึงใจ ทีนี้การการใจเขินอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็มีจิตใจเราจะต้องปร่งใสคล้ายๆกับเรามองสิ่งละเอียดได้นี่ตาเราต้องดีแต่เราตาเราไม่ดีเราก็มองไม่เห็นแน่ะวันก่อนจะเย็บผ้าหน่อยมนสนเข็มไม่ได้เจ็บใจตัวเองว่าโอ้ตาของผมแยกกันเลยใช่แต่สนเข็มไม่ได้ มองมองไม่รู้ส ก, กิร์นั่นแหละทำไม่ได้ต้องเรียกเด็กมาช่วยที น, นี้ก็เราเห็นว่าว่าความเสื่อมนะเสื่อมควาสังขารเนี่ยมันก็เสื่อมทีนี้อะไรก็ตามที่เราเห็นได้ละเอียดมากเนี่ยหมายความว่าประสิทธิภาพในการเห็นต้องดีทีนี้บาปเนี่ยมันต้องเห็นด้วยปัญญา เราก็รู้ที่จิตของเรานะ่ะมันเกิดความเปลีป่ยนแปลงของเราเพราะว่าจริงๆเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องบาปทั้งหลายเรื่องกิเลสทั้งไอ้เรื่องความชั่วร้ายทั้งหลายะนะนั้นเราสังเกตว่าพูกรบายอย่งที่ว่าเมกี้หกเจ็ดอย่างเนี่ยจริงมันเกิดจากโลภหลืออยากได้จนเกินเหตุแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะคุมความอยากมันจึงตกนรกเกิดตกกบาย ถ้าเราอยากได้แต่เราคุมความอยากมันก็อยากก็มันก็ได้อะนะมันก็ได้แต่เราคุมได้ก็แสดงว่าโมหะมันไม่มากเราก็อยากแต่เราคุมทิศทางความอยากอะไรควรนี้ควรกินจะไม่ควรกินอย่างที่โบราณท่านท่านท่านพูดว่ากินข้าต้องกระโจมกลางคือนี้แสดงอยากมากแล้วก็โ ง, งก่กินก็กินเลยก็ต้องมีวิธีกินกิ น, ะ ข, นข้าวต้มกระโจงกลางไอ้โบราณจริงจริมันมานานนะ เรื่องนี้มันมาในในประวัติศาสตร์ของอินเดียพระเจ้าจันทรคุก ป, ปูพระเจ้าอาโศกเนี่ยท่านก็ต่อต้านอำนาจของพวกพวกกรีกพวกเล็กซันเด์แล้วก็บุกยึดบ้านเมืองมามันบุกยึดเมืองขยาเลยทีเดียวเมืองขยะที่เนี้ยที่พระเจ้าแสดงแสดงที่ตะพยายจัดสุด ุกตีทีเดียวจีตัวเมืองกำลังทหารตัวเองน้อยไปข่าไปตีในเมืองเลยถูกฆ่าตายเกลือล่อนอย่างเดียสองคนกับอาจารย์ทั้งจานกยะก็หนีข้าวป่าหนีข้าป่าก็ไปแอบอยู่ในที่หนึ่งก็มียายแก่กับหลานชายยายทอดขนมหลานก็นั่งจ้องพอยายตักปั๊บไปนี่ก็หยิบปุ๊บกินปั๊บร้องจากัยายก็บอกไอ แกนี่มันโง่ไอ้ขนมอย่างนี้มันกินมันต้องค่อยๆกินไปจากข้างนอกข้างในมันร้อนกินไม่เป็นเหมือนไอ้หมาจนจันทรคุปอยากจะตีบ้านตีเมืองมันน่าจะตีไปจากข้างนอกนี่ไปตีตรงกลางเมืองทหารตัวเองนิดเดียวก็เลยตายกันหมเนี่ยพระเจ้าจันทรคุปตันได้คำนี้ที่ช่วยให้ท่านสามารถ ยึดเมืองปาตาลีบุตรได้เราสร้างราชวงศ์มอริยะขึ้นมาได้มันเกิดจากยายแก่ด่าหลานที่กินขนมนั้นเองมื่อเกิดความคิดเราจะเห็นว่าก็มองตรงเนี้ว่าตรงเนี้มันเป็นเรื่องต้อระมัดระวังต้องระมัดระวังเราเกี่ยวข้องแต่ต้องระมัดระวังเมื่อไปจับงูเราต้องเกี่ยวข้องกับงูอ่ะทีนี้จับงูอย่างไงว่าให้เราจับงูไม่ใช่งูจับเราเห็นไหมฮมันก็ก็คือแนวเดียวกัน เป็นลักษณะการเพิ่มปัญญาขึ้นในกรณีที่เราต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์ซึ่งกับเรื่องฮะกับเรื่องอะไรก็ตามที่มันมีปัญหาก็เรียกว่ามองเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยตรงนี้จะเน้นมากอนุมัติสุวัตเยสุมองเห็นโทษในภัยแม้เพียงเล็กน้อยเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความดีความชั่วของเรามันเกิดขึ้นในแต่ละขณะจิต มันไม่ใช่ชั่วตลอดยี่บสี่ชั่วโมงมันไม่มีใครชั่วยี่บสี่ชั่วโมงแต่ดียี่สี่ชั่วโมงมันมีนะฮะก็คือพระอาหารหันต์แต่สามัญชนมันก็ดียี่บสี่ชั่วโมงไม่ได้อะนะดียี่สี่ชั่วโมงไม่ได้ตอนเ อ, อ่อการคิดในแนวที่ลึกซึ้งเนี่ยมันก็มองมาได้โดยลําดับพาการกระทาทางกายก็บเราบางอย่างถ้าเป็นแรงดันของกิเลส มันก็มีโทษจะมากหรือน้อยมันก็มีโทษเดอย๋ยที่ทรงสอนว่าอย่าดูหมิ่นว่าบาปเล็กน้อยแล้วมันจะไม่ให้ผลเพราะจริงๆแล้วมันเรื่องของการสะสมองอุปมาอุปมาเป็นหยดน้าที่ตกลงมาทีเดียวติ้งติงติ้งติ้ต้งๆๆๆๆๆมตงม่อตเรื่อ ม, มันก็เต็มภาชนะได้ต้นบาปแม้เพียงเล็กน้อยถ้าสะสมบ่อยๆมันก็เต็มด้ปา ทนี้บางบางทีมันมีเงื่อนไขว่ามันต้องทําอ่ะเอาถ้าจะทําก็พระพุทธเจ้าก็มีข้อต่อตรองง่าอีกว่าถ้าจะทําอย่าทํำบ่อยๆแล้วอย่าพอใจในบาปคือบางทีมันมันมันมันมันดูในสถานการณ์บางคับว่าต้องทําอ่ะต้องทําอะไรสักอย่างแต่ว่าทำอย่างไงว่าอย่าทํำบ่อยๆมันมีความจําเป็นตรงเนี้ยเป็นการรักษาชีวิตรักษาอะไรอะไรก็ตาม เทียบเคียงแล้วก็คงจะต้องยอมบาปแล้วมั้งตรงนี้ยแต่ก็อย่าทําบาปไปต่ออย่างเช่นเช่นบางทีในการบริหารงานอะไรบางก่อนลูกศิษย์เขาเป็นผู้เป็นผู้พัฒนาทหันมาทํางานทางธุรกิจเนี่ยมันเกิดเป็นปัญหาลูกน้องโกงอุตลุดไปเลยก็มาปรึกษาบอกมาถึงจุดเนี้มันมันคงต้องทําบาปแล้วนะ คุณจะทำบาปครั้งเดียวหรือจะทำบาปหลายครั้งถ้าทาบาปครั้งเดียวคือควองกระดานเลยถ้าทาบาปหลายครั้งคุณก็แก้ปัญหาไปทีลยจุ่เดีคุณปวดหัวตลอดชีวิ ต, ตก็ต้องลงมาเลือกพวองกระดานนะแต่ตรงนี้มันไม่มีทางเลี่ยงแล้วนะหมายความว่าต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปเพื่อจะแก้ปัญหา ไ, ได้แล้วก็เอย่าไปบ่อยปวดหัวก็ทําไปสักครั้งหนึ่งเพื่อจะแก้ปัญหาอันนี้มันก็ เป็นเรื่องของการบริหารเป็นเรื่องของการทำงานเราไม่ถึงว่าปฏิเสธเราไม่บาปอ่ะแต่ะทําทำมันไปต่อและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเราจะทำอะไรเนี่ยมันเกิดจากเราพอใจในสิ่งนั้นเราสังเกตถ้าเราไม่พอใจเราไม่ทาเราไม่กินเราไม่ดูเราไม่พูดเราไม่เกี่ยวข้องเราไม่เดินไม่ใช้ไม่ซื้ออะไรไม่หมด่เพราะงั้นอย่าพอใจในบาปก็ตัดกระแสไปเลยว่าอย่าพอใจในบาป ทำแล้วอย่าคิดว่ามันดีไม่ใช่พอเล่นการพนั น, น, นพราชนะเออดีนี่นะวันหลังเล่นอีกไออย่างนี้ชักยุ่งแต่ต้องรู้ว่ามันเป็นบาปที่นี้จำเป็นตรงนี้นะมันมีจำเป็นอะไรขึ้นมารักอย่างก็จาเป็นไปจำเป็นไปแต่อย่าทำไปก่อะอย่าพอใจในบาปนั้นเพราะอะไรเพราะว่ามันขัดแย้งกับความต้องการพื้นฐา น, น, นคนต้องการความสุขแต่การสะสมบาปนั้นมันนความทุกข์มาให้ เห็นไหมจะทรงแสดงเหตุผลไปถึงก็เธอก็ขัดแย้งกับความต้องการของเธอถ้าเธอไปพอใจในบาปเพราะเธอต้องการสุขแต่เธอสะสมบาปเธอทําทบาปเธอก็ประสบความทุกข์เพราะงั้นก็สรุปไปดูว่าการสะสมบาปนี่ยจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทีนี้ในในกรณีของความดีก็ต้องมองเห็นคุณค่า แต่ในที่นี้เราเกิดสํารวมระหว่างความชั่วนะพระพุทธเจ้า ก, ก็มองมองสอนอนุมัตเตสุปเจสุปยาตาซาวีมองให้เห็นเป็นภัยเป็นอันตรายภัยนี่ต้องมองเห็นความต่อเนื่องนะท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าการมองภัยในพระเจ้าสอนให้เห็นต่อเ น, นื่นงเช่นสมมติเราทําความชั่วภัยครั้งแรกก็คือเราเป็นคนชั่ว เราเป็นคนชั่วทันทีที่เราคิดชั่วแล้วก็ทําชั่วแล้วก็พูดชั่วเราก็เป็นคนชั่วทันทีในขนาดนั้นยิงคนตายโครมก็ไอ้นี้เป็นฆาตกรทันทีเลยทันทีที่ยิงคนตายฉกสตางก็ปั๊บเราเป็นขโมยทันทีเลยด่าเขาปั๊บเราเป็นคนปากเสียทันทีเลยโกหกเขปั๊บเราเป็นคนโกหกทันทีเลยเห็นไะมฮะ เป็นคำชีในขณะนั้นเนะ่ยเป็นในขณะที่จริงมันเป็นตั้งแต่คิดแต่ว่าคิดเอาแหละคนอื่นเขาไม่รู้เรารู้แต่ตรงนี้คนรู้ลนะ้วออกมาจากข้างนอกแล้วประการต่อไปก็คือคือพวกนี้ทรงสอนให้ดูว่ามันมันมันเหมือนกับกินอ้อยที่ที่มันหวานนะแต่ข้างล่างมันมียาพิษหวานๆวนห้านวา น, า น, า น, า น, านมาเจอพิษโครมเยอคือคนเราบางทีต้องการสะใจ สะใจได้อารวาสได้ด่าได้ไดวยวายได้แต่มันรู้สึกสะใจดีนะแต่จริงว่าเหนื่อยเกือบตายนะอารวาสมาจาับ น, น, นั่นเกลี้ยงนี่อารวาดปลักโน้ตเหนื่อยเกือบตายอยู่แล้วแล้เป็นคนชั่ว อ, อยู่แล้วแต่ปัญหาที่เราต้องตามแก้เนี่ยมันนานมาก ๆ, ๆบุบเดียวของอารมณ์บางทีก็คือ ชีวิตตั้งชีวิตก็ดับนะเช่นว่าเกิดปุ๊บขึ้นมายิงก็าตายอนเนี่ยมันก็ดับเราอนาคตเราดับถ้าเขาเนี่ยบอกเขาจําเป็นต้องดับไหมมันก็ไม่จําเป็ น, นเร า, เ า, แ, ตตตาแต่ว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องดับคือต้องตายแต่ว่าคนเราเกิดมาแล้วไม่จําเป็นต้องทําความช่วเห็นไหมความตายเนี่ยมันจําเป็นต้องตายอยากตายไม่อยากตายใครฆ่าไม่ฆ่ามันก็ตายอ่ะยิงแต่ตายเร็วไปหน่อยแต่นั้นเอง ตายเดีตายช้าก็ตายแต่เขาไม่ได้ตายด้วยบาปก็ตายด้วยคนอื่นฆ่าเนี่ยเขาไม่ได้บาปนะไม่ได้บาปอาจจะเป็นผลบาปอะไรก็ได้แต่ว่าเขาเองไม่ได้ทําบาปในขณะนั้นแต่เราเองบาปเราก็กลายเป็นคนเป็นฆาตรกรมีความเดือดร้อนอย่างน้อยนีนภายในใจตลอดระยะเวลานะฮะตลอดระยะเวลาหลังจากนั้นเราจะร้อนใจตลอดตราบเท่าที่ ปัญหาเหล่านั้นไม่ได้แก้ไขเวลาติดคุกที่จริงก็ร้อนนะ่ะนะฮะมันร้อนทั้งคุกแล้วก็ร้อนทั้งอหวาดระแวงกลัวอาจปีน้องของคนที่เราฆ่าจะทําทอันตรายอะไราจากนั้นตลอดชีวิตเนี่ย น, นะจะเห็นว่านั้นก็คือความเดือดร้อนความเราร้อนแม้แต่พวกมมเปิงโมปือมัน ก, ก, ก, ก, ก, ก็เหมือนกันแล้วมันอยู่ปกติที่ไหนแล้วก็เราเองนี่ติดเตียนตัวเองได้แม่เราไม่น่าเลย ทาไปทําอย่างนั้นก็คงไม่เป็นอย่างนี้นะเพราะไปทําอย่างนั้นเลยต้องเป็นอย่างนี้นะถ้ารู้อย่างนี้ก็ไม่ทําก็ที่จริงมันก็รู้นะฮะแต่ว่าในขณะนั้นมันเกิดโมหะขึ้นมากโมหะมากโทสะมันก็มากโทสะมากมันก็ความรู้มันก็คุ้มครองตัวเองไม่ได้มันไม่จะถึงก็ไม่รู้มันมีมีไม่พอใช้พูดง่ายว่ามีไม่พอใช้มันเหมือนกับเราไปซื้อของของบางอย่างเงินเราไม่พอะ แล้วก็มีปัญหาคือซื้อไม่ได้แต่หนึ่งก็ดีนะว่าที่จริงไอ้นั่นก็ดีก็ประหยัดไปแล้วก็ถูกคนอื่นก็ติเตียนถูกวินยูชนก็ติเตียนแม้แต่ในบงษาคณาญาติอะไรแต่อะไรพี่น้องก็ก็ติเตียนแล้วก็เป็นโทษทางสังคมก็คือสังคมก็จะไม่เกี่ยวข้องไม่พุ้าไม่ได้เกียรติไม่ได้สถานะซึ่งซึ่งมันก็ขัดแย้งกับความต้องการของเราลดทำลายตัวเรา วันนี้คือเราทำลายตัวเราเองเราต้องการได้รับการยอมรับนับถือได้สถานะจากสังคมมีการพักผ่อนหย่อนใจก็ไม่กล้าพักผ่อนเพราะใจมันไม่หย่อนอะเป็นปนั่งอยู่ที่ไหนก็ใจไม่หย่อนต้องมองซ้ายมองขวาจะเรื่อยๆกลัวเพื่อนจะมาแอบยิงหัวเอเห็นไหมพักผ่อนหย่อนใจเราก็พักผ่อนแต่ก็ไม่หย่อนใจคือใจไม่หย่อนใจไม่หย่อนมันก็ไม่ได้พักผ่อนเพราะจริงพักผ่อนเราต้องการใจหย่อนจากความเครียดจากความมีตกกังวลความเดือดร้อนต่างๆได้ปล่อยวางนะฮะ ผ่ที่จริงมันอยู่ที่ใจมากกว่าอยู่ที่สถานที่สถานที่เป็นปัจจัยช่วยไม่ใช่เป็นตัวเป็นตัวที่จะมีผลจริงๆผลจริงๆก็เกิดขึ้นจากภายในใจเราแล้วก็โทษโทษที่เราจะต้องประสบในนรกไอ้เรื่องนรกนี่ต้องเชื่อไว้เลยนะเพราะมันปลอดภัยที่สุดเลย พระพุทธเจ้าจะคุมไว้ตรงนี้ให้ทั้งหมดทุกแห่งเรื่องความชั่วจะคุมไว้ตอนสุดท้ายนีย่คือนรกไว้ให้ทุกแห่งบาปธรรมดานะไม่จะบาปไม่มีบาปนั้นถ้าบาปบาปนั้นก็เรียกว่ามหาน ร, รกอเวจีไปเลยบาปธรรมดาธรรมดาก็นึกถึงภัยในนรกคือบางอย่างเนี่ยทร ง, งบอกไว้ตรงๆตรงๆเลยว่าการาการปฏิบัติในลักษณะที่งงมงายเนี่ยมันจะมีสองอย่างคือเป็นสัตว์ดิเรกาันหรือตกนรกเท่านั้น ไม่เป็นอย่างอื่นจะเป็นเพียงสองอย่างเท่านั้นเพราะในในแนวของโทษของสีเนี่ยเราจะเห็นว่าคือการทำลายความมุ่งหวังของเราความต้องการของเราก็คือทำลายเราการละเมิดสีนี่ที่จริงก็คือการทำลายเราเองเรียกว่าตนเองเป็นศัตรูของตนเองไม่ต้องมีใครมาเป็นศัตรูนะต้องมีใครเป็นศัตรูเราก็เป็นศัตรูของเราเอง จะถามมาทําไมมันเกิดจากความเห็นผิดนะความเห็นผิดมาจากอะไรก็มาจากโมหะก็ก็กลับมาที่เดิมนะฮะก็หมายความอา ก, กิเลสประเภทโมหะเนี่ยก็ทําให้เราต้องมีความเห็นผิดคิดผิดทําผิดพูดผิดก็ออกมาในแนวนี้เพราะฉะนั้นทรงแสดงโทษของศีลเอาไว้หมายความว่าผิดตรงใดก็ตานะฮะ แ, แม้แต่เรื่องเล็กเล็กน้อยเนี่ยเป็นปัญหาในหัวใจคนไม่รู้นะ คนอาจจะไม่รู้แต่เรารู้อ่ะที่พระพุทธเจา้าทรงบอกว่านัตติโลเกระโหโนามะปาปะกัมมังอกุปโตที่รับโดยการทําบาปเนี่ยไม่เนี่ยเราบอกเฮ้คนเห็นก็คนเห็นเราไม่จะคนเราเป็นแมวหรือที่ไหนเราก็คนอ่ะเห็นมะอย่างน้อยเราก็เห็นแต่แนวโบราณเนี่ยท่านท่านคิดดีนะฮะท่านบอกว่าคนไม่เห็นคนอื่นไม่เห็นปีสางเดวดาก่อเห็น นี่คือแนวแนวแนวพระผู้เป็นเจ้าศาสนาพระผู้เป็นเจ้าเขาดีตรงนี้นะดีตรงนี้ดีตรงที่ว่าคนเนี่ยเขาเชื่อว่าพระเจ้าได้รูแลเรานะเขาก็เชื่อมั่นในการทำความดีแล้วก็เป็นสกิีปยาญาในการทาชั่วของเราเพราะว่าพวกนี้ก็เชื่อพระเจ้ามาพิพากษานะ วันรพร ะ, ระเจ้าพิภากษาโลกในพวกนี้จะตื่นขึ้นมาทั้งหมดเลยแล้วไปเข้าแถวรอคิวพุพ่ยภาษาพระเจ้าคงสะบักสะบอ ม, มนะพระยพากษา ค, คนเยอะเนี่ยแต่ว่าความคิดเหล่านี้ที่จริงตรงนั้นจริงไม่จริงช่างมันแต่ว่าทําให้คนเนี่ยมันมีหลักใจทําให้คนมีหลักใจเราก็เราไม่เชื่อตรงนั้นแต่เราก็เชื่อในเรื่องผีทางเทวดาเชื่อในพระรัตนตรัย ปรารถนาใจรู้พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านรู้ท่านรู้ว่าเราทําอะไรแล้วเราก็รู้ว่าเราเราก็รู้ว่าเราทําอะไรพระริยเจ้าทั้งหลายท่านรู้ว่าเราทําอะไรเทวดาทั้งหลายรู้ว่าเราทําอะไรอันนี้ก็คือก็คือก็คือสิ่งที่จะห้ามใจนะห้ามใจบางอย่างเนี่ยเป็นความคิดอย่างอย่างคนที่จิตใจก็ประณี้การคิดเช่นนี้สมหรับเราอย่างสมหรับคนอย่างเรานี่ไม่ควร คนอื่นคิดก็เรื่องของขอแต่ว่าคนอย่างเราเนี่คิดอย่างนี้ไม่ควรเห็นไหมว่ามันก็ห้ามเข้าไปถึงใจว่าอันนี้คิดประทุใยอันนี้มันน่าขาจริงไงที่จริงคิดนะนะคิดแต่มันแหมมันคิดฆ่ามันแรงไปแต่คนอื่นคิดมันก็ไม่แปลกอะไรก็อื่นคิดไม่แปลกอะไรแต่เราคิดเนี่ยไม่ได้เพราะคนอย่างธารนะอย่างเราไปคิดอย่างนั้นไม่ได้ก็อื่นก็ทํา เป็นเรื่องของเขาแต่โดยสถานะเพราะงั้นมันมันมันจึง ม, ม, มีตัวตัวหนึ่งที่ลองสังเกตนะมันจะคุ้มครองมันจะคุ้มครองเช่นในสมัยโบราณคติไทยเราเนี่ยมายังอยากเอาตรงนี้กลับมาแต่ไม่รู้จะทำยังไงกุลบุตรกุลธิดาเนี่ยชอบมากเลยกุลบุตรกุลธิดาเนี่ยเป็นภาษาที่เพราะมากสุภาพบุรุษสุภาพสตร e ี สังเกตฮะชาวบ้านเป็นี้ใหญ่ขึ้นเนี่ยเมื่อก่อนเรียกคุณกันนะคุณนั้นคุณนี้คุณนู้นเดี๋ยวนี้เรียกท่านฮะเราลืมวาท่านเนี่ยเขาเรียกหมอมเจ้าขึ้นไปเห็นไหมฮะเจ้าท่านเนี่ยเขาจะเรียกหมอมเจ้าแล้วก็เรียกพระมีแล้วก็เรียกตําแหน่งไม่ใช่เรียกคนนะฮะเรียกท่านกำนันเรียกท่านประหลัดเรียกท่านผู้ว่าเรียกท่านนายอำเภอ ท่านอายการท่านวิปัสสหเห็นไหมเราไม่ได้เรียกตัวคนเดียเราเรียกตำแหน่งของเขาเรียกฐานันดร น, นะะเรียกฐานันดรเรียนนี้สถาปนาตัวเองเป็นหม่อมเจ้ากันเยอะเลยท่านนั้นท่านนี้ท่านน น, นะเมื่อก่อนเรียกคุณนะคุณมันก็ขนาดหม่อมราชวงศ์เลขก็หม่อมราชวงศ์หน่อยเนี่ยอันนี้ขึ้นเป็นหม่อมเจ้าหม่อมเจ้าเต็มเลยบ้านเมืองเราเนี่ยราชวงศ์เกิดขึ้นเยอะเลยเราลืมไปว่า จริงๆตรงนั้นแหละเราหลงตัวเราเองเขาคำนี้เขาไม่ใช่เขาไม่ใช่กับชื่อคนนายกนายขอเนี่นะท่านกอท่านขอนี่เขาไม่เรียกแต่เขาเรียกตําแหน่งแล้ว ก, ก็เรียกอฐานันดรสักแล้วก็พระเรียกพระท่านนั้นท่านนี้ก็พอศึกปั๊บเขาก็ไม่เรียกแล้วเรียกไอชิดนะพอชิดอย่างดีเนะี่ยเรียกพอชิดเรียกไอชิด เรียกทิศจะเรียกอยู่สาคำเห็นไหมฮะพอสึกปั๊บเลยจะไม่เรียกเรียกทิศเรียกพ่อทิศเรียกไอทิศไอทิศนี่ก็แสดงว่าเมตตานะฮะที่จริงก็แสดงเมตตาพ่อทิศนี่เรียกยศย่องอทิศนี่ก็เป็นภาษาเรียกกันโดยทั่วไปเวลนี้มานั่งสังเกตนานเอ๊มันทําไมหมอมจ้าเยอะเหลือเกินในเมืองไทยทุกวันเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้ตําแหน่งมาเรียกไม่ได้ใช้ตาแหน่งมาเรียกแต่เรียก เอาคนมาเรียกถ้าคนมาเรียกก็แสดงว่าต้องเป็นหมอบเจ้าพอาตัวนายกรนายขอมาเรียกเนี่ยแสดงว่าเป็นหมอบเจ้าจริงๆเรียกคุณก็เยอะแล้วนะฮะก็นิ่มนวลไปเราะ ด, ดีแล้วพอเรียกท่านนั่นเลยชักไง่ายไม่ได้นี่ก็ทําอะไรคือทําใหม้มันเกิด ต, ตัวหนึ่งขึ้นมาสังเกตนะ <c oughs> เกิดอหัาการเกิอ <c oughs> หัาการพอใครไม่เรียกท่านเนี่ยถือว่าไม่เกียรติกิเลสมันเกิดอาหารเรื่องกิเลสมันเกิด เป็นลักษณะมานะอติมานะแล้มันจะเกิดความกระด้างพอเกิดความกระด้างมื่อเกิดจะเรียกร้องความต้องการเหล่านี้พอไม่เรียกท่านหาว่าพ่อแม่เกียดโกรธก็หาเรื่องมันเพิ่มกิเลสอะเรื่องเพิ่มกิเลส น, นี่ก็ <c oughs> <c oughs> ก็จะมองเห็นโทษมองเห็นเป็นความแลบเนี่ยทำไมส่วนใหญ่เนี่ยก็มุ่งเน้นไปที่ เรียกว่ามีวินัยในตัวเองนะแต่วไอ้คำว่ามีวินัยในตัวเองเนี่ยทันเจตว่ามันเหมือนต้นไม้ที่เราปลูกต้นไม้เนี่ยตอนแรกก็ยืนเดี่ยวไม่ได้หรอกมันต้องอะไรมาค้ำมายันมาป้องกันไว้ก่อนนะกว่าแกจะไปได้เทเสาเทคานก็ต้องมีบ้ามาก่อนมีแบบมาอัดไว้ก่อนรอเวลาสมควรจึงจะเปิดบ้าออกไปธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่ า, าการ จะพัฒนาจิตใจอะไรแต่ละของคนเนี่ยส่วนแรกเนี่ยตอนต้นๆ ต, ต, ต, ต้องมีที่เกาะที่อิงที่ยึดไว้ก่อนเพราะแนวทั้งหมดที่โบราณท่านทังไว้เนี่ยกุลบุตรกุลธิดาเนี่ยคือแนวที่เป็นเครื่องมือค้ำจันมาสร้างจิตทั้นักโอ้เรานี่กุลบุตรนึกถึงพ่อนึกถึงแม่นึกถึงวงศารกนญ า, าติเชื้อสายตระกูลเราถ้าทำชั่วแล้ววงศารกูลาย่าอะไ แล้วก็สุนทรผู้ที่ตอกย้ำมีลูกดีเป็นศีรษะงานหน้าอยาตีวงพงสาไปพองใส อ, อันนั้นก็มันก็สืบเนื่องมาจากคุณระบุคุณธิดาสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะเราจะเห็นว่ากุมารกุมารีคือคำมันดีเหลือเกะนะินเ่เวนี้เรียกว่ายาวชนไม่รู้แปลว่าอย่างไงมาว่าแปลว่าปัญญาอ่อนไม่แปลว่าอย่างไงไอเยาวชน มันไม่ได้มีความหมายคือชื่อทุกชื่อเียมันจะมีความหมายมากนะจะมีความหมายเราจะเห็นว่าชื่อที่เราชื่อเขาเรียกมงคลนามนะชื่อชาวบ้าน ท, ทุกชื่อไม่ว่าชื่ออะไรก็ตามนะเช่นชื่อชวนเนี่ยหมายถึงปัญญาชาวนะชาวนก็คือปัญญาไหวพริบปฏิภาณแต่ตัดสินใจช้าจังแต่จริงๆเนี่ยเขาต้องการให้ไวนะฮะแต่ก็หลีกภัยไวนะว่าจริงๆก็หลกภยไว ก็ไว้เหมือนกันนะฮะต่ลีกไปไว้คือชื่อแต่ละคำไม่ว่าชื่ออะไรก็ตามโดยจะเห็นว่าเป็นมงคลและนามมันแสดงถึงคุณลักษณะของสิ่งเหล่านั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเวลาเรียกบริษัทของพระองค์ละเอียว่าชื่อนี้เป็นบรญดัิแต่มันกระตุ้นสํานึกเรียกว่าภิกษุพระนี่เรียกเยอะกว่าเฟนปลาใชื่อเรียกเยอะกว่าเฟนเรียกว่าพระชิตเรียกว่าสมณนะเรียกว่าภิกษุ เรียกว่านักบวชเรียกอะไรแต่อะไรเยอะแยะไปหมดอนาคาริกเมื่อวานเนี่ยไปรบบริวฟังวิทยุประโยคหนึ่งมันซึ้งมากไม่รู้ใครนะรงสัจะทํางานเพื่อชาติอย่าสแสวงหาอํานาจเพื่อตัวจะทํางานาศาสนาอย่าสแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวหมมันคมมากเลยไม่รู้ใครคิดไม่รู้ใครคิดไม่รู้ใครพูดเลยนะะ ว่ามันเป็นคำเป็นสโลแกนที่จบจบการเสนอข่าวอาจจะเป็นพระบรมราชาวัตรหรืออะไรก็ไม่รู้แต่เขาไม่บอกอะ น, นะบอกแสดงว่าใช้คำได้คมนั่นก็คือว่าเรามองที่สถานะเราในการทำงานแล้วก็จิตสานึกในการทำงานว่าถ้าคุณอยู่นี่คุณต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ไม่ได้สมณะเปลวพูดส ง, งบเห็นไหมบรรพชิตเปลวเว้นปาก ภิกษุแปลว่าเห็นโทษเห็นภยัยเห็นอันตรายในสิ่งที่เป็นโทษเป็นภยัยเป็นอันตรายหมายความยังไงหมายความภิกษุเนี่ยแสดงถึงปัญญาบันพชิตเนี่ยแสดงถึงการปฏิบัติคือเว้นบาปสมณะแสดงถึงผลของการเว้นบาปที่สืบเนื่องมาจากปัญญาพิจารณาเห็นบาปเป็นบุญคุณโทษอุบาสกอุบาสิกาเหมือนกันนะแต่จริงบาสก์บาสิกาเนี่ยแปลเหมือนกันเพียงแต่ว่า นี่ีลิงกับปุงหลิงแปลว่าผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยหมายความว่ายังไงเมื่อเราใกล้ไฟเนี่ยเราต้รับแสงไฟใกล้เย็นก็ต้องรับเย็นใกล้ร้อนก็ต้องรับร้อนใกล้หอมก็ต้องติดหอมนะแต่ว่าใกล้เหม็นก็ติดเหม็นทีนี้พระรัตนตรัยในท่านหอมพระรัตนตรัยท่านเย็นพระัตนตรัยท่านบริสุทธิ์พระรัตนตรัยท่านสะอาดเราใกล้ท่านะเราเป็นคนใกล้ชิดท่าน เราหอมได้ไหมหอมอะไรหอมด้วยศีลศีละคันโทอนุตรโกรกลินของศีลมันแผ่ไปได้ทวนลมก็หอมด้วยความตีนะครับศิละคันโทอนุตรโกรกลินทวนลมนะกลินทวนลมตามลมไปได้เราสงบได้ไหมพระตาัตจารย์ท่านสงบเราสงบได้ไหมมันก็เหมือนกับเรานั่งเรานั่งใกล้คนนี่นะคนก็นั่งสมาธิแล้วเราไปส่งเสียงวไวย ไ, ได้ไง เหนไหมเราต้องปรับตัวปรับตัวเข้าหาสิ่งที่เราอยู่ใกล้งานศพทุกคนต่างเศร้าซึมเราเศร้านะเราเป็นนั่งร้องเพลงตัวนั้นกับเพื่อนกันไล่แต่เพื่อเทอะไรมันต้องปรับตัวเข้าอยู่กับสิ่งที่เราใกล้ใกล้ร้อนใกล้เย็นใกล้หนาวเราต้องติดสิงนั้นหมายความว่าปรับตัวให้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นได้แล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งนั้นหนึ่งคือท่านชายของผู้ใกล้ชิด ผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าใกล้ชิดพระธรรมใกล้ชิดพระสงฆ์มันก็ต้องมีรังสีของพร ะ, ร, ะงระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีกลิ่นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เราก็ได้สัมผัสสามเณรสามเณรีแปลว่าเทือกเถาเหล่ากอเนะทือกเถาเหล่ากอของผู้สงบไม่เอาอะไรแก่มากแล้วเราต้องยอมรับบัณฑ์ก็คือเด็กแกนะอย่างตอนภาคฤดูร้อนยอมจะเห็นว่า เนนมานั่งสมาธิโยมมานั่งสมาธิอาจารย์กำลังสอ น, สอนเนนวิ่งตึกตึๆกตึเอาอยัางไงก็เอามันเหล่าก้อนะนเหล่าก้อนไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ตัวจริงเอาก็แค่เท่านั้นแหละนะฮะเท่าที่ว่านนะเนี่ยเพราะฉะนั้นโยมมานั่งก็คือหลานเราลูกเราหลานเรามองโซนอย่างเงี้ยที่บ้านเราก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนกับหลานเราที่บ้านเนะี่ยโซนเหมือนกันเน่ยเพราะพระ้าเขาพูดว่า ค, ค, ค, ค, คือคือคือหมายความเราจะเป็นเลง็งผลเลืว่าเดอจะต้องสงบมันก็เด็กอะ จำเนรจำเนรีมันก็เด็กอะเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายจำเนรีก็เด็กผู้หญิงจำเนรก็เด็กผู้ชายแต่หมายความว่าเธอต้องมีคุณลักษณะของความสงบนำมาลองสังเกตสังเกตแต่เราครุครีกับเด็กมานี่เด็กไว้เดียวกันเนเ น, นกับกับเด็กข้างนอกเนี่ยความคิดความอ่านอะไรต่ออต่างกันการควบคุมตัวเองเนรนี่จะรู้จักการควบคุมตัวเอง แล้วก็มีความอดกลั้นมีความอดทนสูงไม่ไม่ค่อยอะไรหรอกไม่ไม่ค่อยไปตื่นเต้นอะไรกัอะไรมากๆแต่ไม่ใช่ทุกรูปเลยนะฮะไม่ใช่ทุกรูปพิสุนีความหมายเหมือนกันพิสุนีความหมายเหมือนกันก็เปลี่ยนเป็นอินทิลิงคือความหมายเหมือนกันกบพิกษุนนะฮะแล้วก็มีคําหนึ่งคือสิกขามานาเป็นชื่อผู้หญิงเหมือนกันที่เป็นนั ก, กัวรักษาศีลสิบศีลหกข้อ ข, ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หกนะฮะไม่ไ ม, ไม่ทานอาหารใเนเวลาเยแปลว่าผู้กำลังศึกษาผู้กำลังศึกษาอยู่ศึกษาเรื่องอะไรคือปฏิบัติเรื่องศีลเป็นหลักนะฮะปฏิบัติเรื่องศีลเป็นหลักเห็นไมตัวนี้กระตุ้นหมดเลยกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติสมแก่สถานะนะนะแต่เหมือนกันอะไรนะฮะบอกว่าชำนาญเดินหลงทางนะ ชำนานเดินลงทางไอ้มันก็ชื่อว่าเป็นแต่ว่าตายชือวาำนานแป่ว่าหลงชื่อว่ารู้แต่ว่าโง่ไอ้ น, นี่มันก็ขัดแย้งกับชื่อมันไม่เป็นอย่างชื่อที่มันเป็นจริงๆชื่อเนี่ยเขาจะตั้งให้เป็นมนคล น, นะผมมาเคยเคยเคยสังเกตแล้วเคยเคยเคยคุยรับฟังบ่ชื่อพระไม่ว่าชื่อสมณศักดิ์ก็ตามชื่อฉายาก็ตามนะฉายา มันจะบ่งให้เห็นสามอย่างปัญญาบริสุทธิ์กรุณณาเช่นญานสังวรญานสังวรก็แสดงถึงความบริสุทธิ์แสดงถึงความรู้กับกับความบริสุทธิ์ปฏิตะยะเอสวัตโนอย่างฉายาสมเด็จกับสวัตโนมันแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของความเปนดีทั้งหลายเดี๋ยวจะตั้งอย่างเนี้ฮะจะตั้งอย่างนี้ จเจริญปัญญาก็ได้จเจริญนกุณากก็ได้จเจริญนมรรสก็ได้อันนี้คือคือคือจะเอาอะไรก็ได้แต่ว่าบางอย่างเนี่ยเช่นเช่นของล้มูุขาลอนาวิโลแปลว่าไม่มีความอาลัยไม่มีความขุ่นหมัวคือบอริสุทธิ์เนี่ยคือแสดงความบริสุทธิ์อาจารย์บัวอรอาณนะสัมปนกนะแสดงถึงปัญญาเห็นไหม ม, มันมันมันมันมันมันจะต้องสะท้อนตรงนี้แล้วชื่อโยมก็เหมือนกันนะฮะชื่อโยมทุกคนนีนเหมือนกันที่จริงเนี่ยเขาบ่งเอกลักษณ์สัญลักษณ์เพื่อเพื่อเพื่อช่วยในการสร้างจิตสำนึกว่าเราเป็นอย่างนี้นะมันก็เหมือนเราเป็นคนระบุตนะเราเป็นคนลธิดานะเราเป็นสุภาพบุรุษนะสุภาพสตรีนะสุภาพบุรุนะษรก็ไม่ทําอย่างนี้นะสุภาพสตรีไม่ทําอย่างนี้นะมันจะเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวกระตุ้นเสริม แล้วทําให้ไปเชื่อมโยงคนอื่นเอ้อนึกถึงพ่อนึกถึงแม่นึกถึงปู่ย่าตายายนะเราคนในตะกูลนี้ไม่เป็นอย่างนี้เลยนะทั้งตระกูลนะแต่เรามาเป็นแก่ดําในตระกูลแล้วก็แย่เลยนะทําให้บรรลุท่านผิดหวังท่านเสียใจเห็น ไ, ไหมคนยังคนจีนเนี่ยก็กกกมีอะไรใกลกล้กัจ้เวดไปไหว้ป้ายไหว้ป้ายขอขมาขอบอกกลาอะไรอะไรนี่คือวิธี หมายความว่าเป็นอุบายวิธีที่จะเสริมให้คนรักษาสถานะของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันการเห็นนี่เห็นเห็นโทษต้องเห็นต่อไปเช่นว่าหนึ่งเสริมชื่อเสียงเสริมเสียชื่อเสียงนั่นคือโทษทางสังคมโทษทางสังคมที่เราได้รับไอ้คนนี้เป็นคนชั่วคนนี้เป็นขาดตะกรคนนี้เป็นคอรัปชันคนนี้เออชาวรัฐบังหลวงอะไรแต่ไรก็ว่าก็ปิดีนตรนั้นนั่นนะฮะไอ้นี้ เป็นเรื่องที่ที่เราต้องมองว่าเวลากระทบในทางไม่ดีนะสังคมมันจะเป็นอย่างนั้นว่าเวลาไม่ดีเนี่ยเขาจะด่ากลาดหมดเจนวะพระไม่ดีคือสักองค์นี่เขาด่าวาพระเดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้พระเดี๋ยวนี้นะหมดประเทศเลยหมดโลกเลยมันด่าทีเดียวอะแต่ว่าพอดีมันยกย่องคนเดียวนั่นคือสังคมเป็นอย่างนั้นสังคมเป็นอย่างนั้นเราต้องยอมเราอยู่ในสังคมอย่างเนี้ย มันไม่ได้มองอะไรตามความเป็นจริงหรอกพอชั่วแล้วมันจะด่ากลาดหมดเลยทั้งตะคูณก็เราก็มีข่าวอยู่บ่อยๆนะพ่อมีปัญหาลูกถูกเพื่อนล้อเรียนในโรงเรียนต้องย้ายโรงเรียนต้องหนีอยู่ไม่ได้เมียถูกรังเกียจไปซื้อของเพื่อนไม่ขายให้ไปกันใหญ่เลยไม่รู้อะไรไม่เกี่ยวอะไรกันไม่รู้ฮะแต่ถ้าชั่วแล้วไปกันใหญ่นะแต่ถ้าพอดีไม่ฮมันไปยกย่องคนเดียว ยงย่องคนเดียวแต่นั้นเองนั่นคือคือลักษณะทางสังคมเขาเป็นเขาเขาอย่างนั้นนี่ยเราจะไปแก้ไขอะไรสังคมไม่ได้นี่คือแต่ละอย่างเนี่ยสร้างจิตสํานึกเป็นการใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบไปเรื่อยๆแล้วก็ข้อหนึ่งเนี่ยคือคือคือเสื่อมเสียชื่อชื่อเสียงพอคาว่าเสื่อมเสียเสื่อมมันก็ลากตะกูลวงเข้ามาด้วยลากวัดลากสังกัดลากอะไรอะไรเข้ามาเยอะแยะ เราจะเห็นว่าที่คนไทยเราถูกเข้มงวดมากไปเวลาสหรัฐอเมริกาแล้วจนขนาดว่าซาอุปิดประตูเวลาเนี่ยนะเพรจริงๆมันเกิดจากคนคนเดียวนะคนคนเดียวจะมีนายพลเอกด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ามีคนคนเดียวเป็นต้นเหตุทําแล้วก็าลากคนไทยทั้งชาติกระสับกระซานบอกว่าตราบใดที่เพชรยังไม่กลับใจมันก็ไม่กลับ เกิแต่ว่าใจไอ้ความเบมิดไมตรีนี่มันไม่กลับมาอีกแนละ้วมันเป็นรอยช้ําในดวงใจที่ช้าแล้วเขาก็ถ่ายทอดนะฮะแบบพวกอิสลามเนี่ยเขาจะถ่ายทอดสั่งลูกสั่งหลานเลยนะฮะความลูกหลานของเราในรุ่นต่อไปก็คงจะติดต่อกับซาอุดิอระเบียย า, ากแจริงเราก็อยากได้อยากได้เงินของเขาไว้นะฮะไม่ใช่รักอะไรแขกซาอุดนะครับก็ ต่อไปนี่คือคือคือความเดือดร้อนใจไอ้เดือดร้อนใจปรากฏว่าจริงๆไม่จะเดือดร้อนคนเดียวนะถ้าระดับศีลท่านเห็นว่าไม่จะเดือดร้อนคนเดียวมีคนทําผิดศีลขึ้นคนหนึ่งเนี่ยมันเดือดร้อนไปหมดกระเทือนหมดอ่ะอย่างพลาดเห็นได้ทัดเลยถ้าผิดศีลไว้มันกระทือนกันหมดเลยไปจะแก้ก็ได้แต่ละเรื่องแต่เรื่องนี้มีปัญหาชาวบ้านเองก็เหมือนกันนะผิดศีลก็คือผิดกฎหมายมันก็เรื่องเดียวกันแบบเดียวกันนี่ยนะ เราจะเห็นว่าจากกระชื่นเพราะเอาเอาเอก็จึงความเดือดร้อนใจไม่ได้อยู่เฉพาะเราไปอยู่ที่คนอื่นเลยเข้าไปในสมาคมไหนสูญเสียความมั่นใจนะทําชั่วนะฮะสูญเสียความมั่นใจคนมีแผลมีความบกพร่องมันจะวิตกกังวลจะหวาดระแวงจะไม่มั่นใจเพื่อนมองก็เสียแล้วนะฮะเพื่อนมองก็เสียแล้วเพื่อนยิ้มก็หาว่ายิ้มยอะ เพื่อนทาเฉยๆยะว่าเพื่อนรังเกียจมันมันมันตัวเองมีปัญหาที่เหมือนโบราณท่านเล่าเรื่องสุนัขที่เรือยนเนี่ยอนอนตรงไหนนอนตรงไหนตรงนั้นมันมีปัญหาหมดเลยแกไม่ดูจริงๆมันแกมันมีปัญหามันไม่ใช่สถานที่มีมีปัญปัญหาถ้าแกไม่เป็นโรคเรื้อนมันก็ไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้เราเห็นได้ชัดตรงนี้เราเห็นได้ชัดมาสามข้อเนี่ยนะฮะ โทตรงนี้เราเห็นได้ชัดทีนี้มันต้องมองเห็นโทษในช่วงที่เราต้องใช้ศรัทธา่วกตรงนี้เราใช้ปัญญาได้นะครับหมายความว่าถ้าเราทําชั่วปั๊บเราจะเห็นทันทีเลยสามสามอย่างนี้เกิดขึ้นทันทีต่อกันไปเลยชื่อเสียงที่เสียก็เกิดทันทีความเดือดร้อนใจก็เกิดทันทีความไม่มั่นใจก็เกิดทันทีเลยแต่มันมีสองข้อสุดท้ายคือลงตายตายอย่างขาดสติไม่มีสติตายอันนี้คง คงพิสูจน์ไม่ได้นะเพราะเรายังไม่ตายทีนี้ถ้าต้องการพิสูจน์ึงไปดูคนอื่นดูคนอื่นก็อาจจะเสียเวลาเราก็เชื่อพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างเนี้ว่าคนทําชั่วนี่จะหลงตายทําไม่หลงตายนะเพราะมันมีกิเลสนะคือโมหะใจมันขุดมวัวใจที่ประลบชื่อเสียงที่ถูกดินถาก็ทําทให้เราไม่สบายใจ ความผิดที่เราก็ทำก็ทําให้เราไม่สบายใจการที่เราไปไหนมาไหนที่เราไม่มั่นใจก็แสดงว่าเราไม่บายใจไม่สบายใจถ้าเราสบายใจเราก็ไปได้เรามั่นใจได้คือใจมันผิดปกติอยู่แล้วใจมันขุดมวเศร้าหมองอยู่แล้วเพราะฉันเบียหลงเบียตายมันก็หลงเอาจิงมันหลงมาตั้งก่อนแล้วทีนี้เราไปข้าวสูตรว่าจิตเศร้าหมองนี่ตายแล้วไปบังเกิดในทุกติ บางทีท่านก็สอนว่านารกเนี่ยคือใจที่มากใยโทสะเปรตคือใจที่มากในโลภะสัตยราชานคือใจที่มากในโมหะพอเราเห็นใจเราจะเห็นว่าเราก็บางทีก็ตกนรกในขณะนี้นะอันนี้ใจที่เล่าร้อนนี้มันก็ตกนรกก็ตายไปก็ตกนรกบังเกิดในทุกขติวินิบาตนารกกสุรกายนะแต่ว่าอย่างนั้นเพราะงั้นตรงนี้ถ้ามองเห็นโทษตามลําดับแล้วจะกลับมาเห็นคุณของศีล มันก็พีิอีกด้านหนึ่งขึ้นมาไว้โทษเราเหล่านี้ถ้าเรามีศีลอย่างเดียวทรงคําเดียวนะฮะสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างเดียวโทษเหล่านี้ปิดประตูเลยคือปิดประตูอบายปิดประตูความเดือดร้อนทั้งหลายแต่ว่าทรงสอนในแนวให้รักษาศีลด้วก็สอนสอนให้เรามองเห็นโทษนะครับมองเห็น<ม>ด้านโทษเพื่อเพื่ออะไรก็เพื่อไปด้านคุณตรงนี้ข้ามไม่ได้ก็เพื่อไปข้ามอีกด้านหนึ่งนั่นเอง วันนี้ก็ข อ, อุติไวด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกองามไปพูดในธรรมจะมีแต่ท่านชาชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านถือ